สิกขาบทที่สองพิษุนีสองรูปใช้ผ้าผืนเดียวเป็นทั้งผ้าปูนอนและผ้าห่มนอนร่วมกันต้องอาบัดสองอย่างคือ 1. กํากำลังนอนต้องอาบัดทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อนอนแล้วต้องอาบัดปาจิตตี